แานสาธารณบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2527วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสําหรับตอนที่เป็นกะพี้บรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีครว่ายก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติประการฐานและทําความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเหยียดยามกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาเพื่อนพิสุทธสิสมณีทั้งหลาย <c oughs> ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกำลังใจขมันดาท่านพุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทูลสัตว์ว่าเป็นอุปกเเรตหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> จะพยายามยึดละอย่างนั้นเด็ดขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงกพ็พีแล้วก็สารวจตัวเองว่าเราี่ทอยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสะเกต็ตความดีของพุทธศาสนาแล้วอยังถ้าขั้นสะเกต็ตเรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราฉัง <c oughs> นั้นในฐานะที่เป็นท่านท ห, หลายเป็นสาวกขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระ ง, งับสิ่งนั้นถ้าตั้งใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือปฏิฐานถ้ามันมีให้ทรงตัวแล้วมีสัจจะบ ร, รมีแล้วก็จงเป็นผู้มีสติสมัยัญญายสมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำและเวลาจะคิด ก็คิดใคร่ควญเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าาการปฏิบัติลมเหลวเปนปฏิปทาแรกและปฏิปทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดี <c oughs> แต่ว่าใช้กําลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาบสการละเกินไปหวังเชื่อเสียงเกินไป <c oughs> มีมีรมีชา้าที่เสียญกุคคลอื่นมากเกินไป <c oughs> รวงความว่าถ้านองตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สําหรับตอนนี้ไปก็อยาขอนําเอาธุมบริกาสดในดัน้งกะพีมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตามที่พระเจ้าท่านส่งตรัสการกล่าวว่านิโครทัปรีพาชกกราบทูลว่าอันนี้เบรนณาสามสิบหน้าในธุมบริกาสดพัตตาหิโดเล่มสิบเอ็ด <c oughs> นิครันิโคทัปิพาชกกาบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประทานบริาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าข้า อันนี้นโครทับรีพายชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศน์และแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการสังวรสี่ประการนั้นเป็นชไหนท่านจัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสมไม่พูดเท็จ ไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจสไม่เสพการมการมคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพการมคุณเมื่อผู้อื่นเสพกรรมคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงจัดต่อปว่าดูก่อนนิคระุะบุคคลผู้มีตบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการคำว่าสังวร น, นี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนนิครทธเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีิ ไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวทรามเขาเสพเสษศาสนะอันสงัดคือป Indeed, ่าคนไม้ภูเขาส่กเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่าชัดในที่แจ้งลมฟางและก็ในปัดในเวลาฉันปัดช้าพักคือฉันอาหารเสร็จรือกินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินนาบัดแล้วนั่งคู่บันลังตั้งกายให้ตรงตำลงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความปทุสรายคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิธะแล้วเป็นผู้ปรจจารจนาถีนมิธะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสว่างมีสติสัมปัญญาอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากที่นมิทธตได้ละอุทจักโกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักโกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ ขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทำให้ปัญญาถอยหลังมีใจรรประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปนในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจรรประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันบปโบนถึงความเป็นใหญ่ พระประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ทีทิศ ท, ที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุทกสถานได้ยใจประกอบด้ว ย, ยรกรุรการณาอันไพยบูทถึงความเป็นใหญ่หับประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจรรประกอบด้วยโมทิตาทตาาุตาเขามีใจประกอบไปด้วยโมทิตตาแผ่ไปตลอดทิศแหน่งอยู่ที่ที่สองที่สามทีสมท่สี่ก็ไม่กัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาสั้งัยบูร์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบนูเบค้ขาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจัประกอบพระโลบกขาอันไพ บ, บูร์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอ ย, อยู่และพระองค์ก็ทรงตรัสถามนิโครทาวะนิโครทะท่านอยากสำคัญความข้อ น, นี้ไปเชไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยะบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่ครูทับรีพายชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เข <c oughs> <c oughs> ายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่น พระผู้มีพระภ้าเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโราธาการนายบาปดัจบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิยาที่ถึงเปรียกเท่านั้นสําหรับข้าเศษหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปรีกยกจะขอย้อนปฏิปทาเพื่อบรรดาความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่า การปฏิบัติพระกรรมฐานมีความสําคัญโือการทําความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่กะพีและพระทิพเนียพระโทษอ่าสำคัญที่เสกเกตและก็เปลือกถ้าเสกเกต ด, ดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> สําหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดถึงถึงเปลือกนี้ ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารบว่าทุกคนจะต้องมีการระมัตรวังในนิวรณสี่ือวังสี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พุดผิดในกรรมด้วยตนเองหรือว่ายินดีมื่อบคอื่นเขาทำแล้ว <c oughs> สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปท า, าไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วงด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความมาเข้าใจตามความเป็นจริงอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทำได้อย่างข้อวาสราเมีไรพระพุทธเจ้ามาันจะทรงห้าม ตอนนี้ข้าวันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดทราบว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสนาต่อศาสดาเพียงแค่แนะนํากันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วดังนั้นสำหรับวันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสัมันเณนต้องทรงศีลสิก์ แล้วก็มีเสกขยวัตรอีกเจ็ดสิบห้าเป็นเครื่องนักระงับจริยามันดาพระจะต้องมีศีขาบทสองร้ยี่สิเจ็ดแล้วก็มีพิสมาจารร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพทบริษสัตในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำหบดสิบครบถ้วนด้วยสำหรับกำหบดสิบนี่ทั้งพระทั้งเลงก็ต้องปฏิบัติด้วยมือกัน ถึงแม้ว่าจะมีสินมากกว่าแต่อย่าลืมวจริยาที่เลเลวพระของพระของเองก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำหดสิบก็ไม่มีบางทีบางรวบสินห้ายัางไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในกำหนดสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราก็ถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทําแล้วและก็ไม่ทําการเมสเมชาจารด้วยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทำไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้าคำมาอีนิดหนี่ยเราจะไม่ดื่มสุรามีไรด้วยตนเองและไม่ใช่บุนคคลอื่นดืม่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาเดื่มแล้วสำหรับด้านวาจามีความสำคัญมากพระเจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคําหยาบจะไม่พูดคําส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสี่ประเภทนี้จําเป็นบรรดาท่านนั้นหลายมีความจําเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากว่าจาที่พูดปดมุทิตจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ วาจาที่สร้างความเสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่นหรือวาจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันและวาจาที่ไร้ประโยชน์นาวาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ้านหรือว่าทําให้ชาวบ้านแตกเล้ากันด้วยกันแนะนําแนะนําผิดๆพลาดพลาดจากคติของพวกศาสนา แต่ประกาศตนว่าเป็นสาวกโกองค์สมเด็จพระสัมมทาทัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังและวาจาใดที่ร้ายประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี่มีความสำคัญมากและสำหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระมมจอมตรยทรงตรัสว่าจงอย่าเพ่งเล็งมันโลกเช้่งหมดเพื่อพิชชา อภิชานีิในพระไตรวิฎกท่านแปลดีมากเพราะว่าจงอย่าเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้นในกระหมายความขึ้นที่ว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกเื็นสิ่งที่มีชีวิตกระดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตกระดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ท่าสี่เราไม่สนใจในมันคำว่าไม่สนใจกระหมายความว่าต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ตอนขอหาของทําความยินให้หิวหาหารให้ป่วยไข้ไม่สมบายรักษาบำรุงธนุบุญงตามสมควรแต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังและ้วะยึดเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยในความหมายความว่าถ้าป่วยเรารักษาถ้าอยาตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงๆก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนและราการที่สองไม่พยบบายามคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลานสิ้นกันแลกันนี่ดางด้านของ ก, กาลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นคิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่เขาทำพลาดพลั้งไปเพราะากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจ้านั้นเราในฐา น, นะที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระทุศพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวิ น, นัยนี่อันนี้ต้องลงโทษเพราะถือเป็นระเบียบเ ส, สียงนอกเหนือระเบียบเพรเรื่องส่วนตัวเราไม่ทำให้เราห้าภายัย แล้วก็บริการในสามหน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าทำความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องต้น <c oughs> สำหรับท่านพุทธศาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงมาเปลือกตัว น, นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาถึงเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งการไม่ฆ่าสตัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเราเองต้องมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญาสองการไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้ย่ย้ทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดี ก็าการทำอย่างนั้นเป็นการไปกายความไปศัตรูเข้าหากัน <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เอาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นที่ว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจเฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสําโดษไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักแล้วก็การดื่มสุรามีอะเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสำหรับวาจาวาจาที่มีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริง <c oughs> แต่ความเป็นจริงนี่บรรดาแทนพุทธบริษัท ต, ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใด ที่ควรจะพูดเวลาที่ใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิิเข้าพิจรารณาเสก่อนถ้าว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแลว่าคนไม่ควรเป็นประการใดรายการที่สองวาจาใดเป็นเป็นวาจาที่สร้างความเสะเทืนใจแก่บคุคคลผู้รับฟังในวาจาหยาบที่ความจริงไม่เทียงหมายท่าด่าเสมอไป อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสําคัญอยู่อาจาหนึ่งลอยมาท า, ากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนา <c oughs> ในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาและก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลว อย่างเขายกสารวภูมิบูชาภูมิมัรดาก็ดีอากาศสติวดาก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้ตะบรรดาธรรมพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นดาแต่ว่าประนามกัน <c oughs> และก็เป็นวาจา ส, ส่อเสียดยุดยงส่งเสริมให้คนแตกเล้ากันจะทําให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดาคว <c oughs> ามจริงการเชื่อเทวดานี่ก็เชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่าเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเร็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทางสองรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามนั่นจะรู้จักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระบรมทีพแก้วท่านลงมาหรอกเพราะพระพเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทำไมบุคคลในปัจจุบันยึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล้วก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดปะจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านแต่ละวันท่านไหว้ดะ ทานไหว้ตลอดไหว้นวนบ้างนายไหว้นีบ้างหลายหลอย่างไหว้เทวดาไหว้ผูมปิบัตเทวดาไหว้อาคาศเสดทวดาไหว้ผู้ย่าตจยายไหว้พระไหว้เซียนถามว่าการไหว้ของคุณแม่ของคุณเนี่ยมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหว้ของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้เพราะอะไรเว่าะผลจากการค้า คนดีค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพทม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงวายิระบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนถ้าท่านเป็นสาวกอองสมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกัน และจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้มีสี่ประเภทกำลังใจคืออุคติตังยูวิปติตังยูนิยะปัททะประมะอุคติตังยูมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเกลี่ยปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปติตังยูมีความฉลาดมากแต่ว่าความเฉืีมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิด แนะนำหัวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอที่บายก็เข้าใจท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหวท่านนิยมปางไหนใครว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไห ว, ว้เทวรรดาในความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าสรงแนะนําไว้ใน ม, า ม, ารรมนันไม่กรรมฐานที่เรียกกันว่าเทวตาทุนสติกรรมฐาน นึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำมาความดีของเทวดามาไปพุติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนัะถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุข เทวดามีนุภาพตามความเข้าใจถึงจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาเ็าไม่เลวเพาคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิรหิลาอตปะหิริอายแต่ความชั่วพยายามไม่ทำความชั่ว โอดตบะบะเกรงกลัวผลของความชั่วไม่เมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดีการนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งดังนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทำลายจิตใจใคร ท่านรู้กําลังใจของคนว่ากําลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนแต่วิธีทำอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอกมันต้องดูกําลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ําให้ต่ําเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจูงกันไปได้ อย่างพระองค์เข้าไปสํานักของเะดินเะดินขับบูชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สรงยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดีนเข้าไปสํานักก็สุปประมาณนบสุปประมาณนบไหว้ทิศสมเด็จพระธรรมสามิตก็มาได้ทรวสงตำหนิกลับชงว่าการไหว้ทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนําว่าทิศที่คุณไหว้นี่นะ มันเป็นทิศภายนอกถ้าทําที่ดีถ้าไหวทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องเะดินก็นไม่กันขบูชาไฟเมื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณไหวอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีพิเศษอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของเปลืเอเรื่องของเปลือมันยังไม่จบ ว่าจำเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี้มีความสำคัญบุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี้เท่านั้นอรหันร์ดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนคว้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีดบรรดาท่านพุทธศาสนิกช น, นผู้รับฟังทุกท่านสวัดดี